ห้าส <58 S 2> ิ g u ปดอวยยว s นบตติเอ็ดอวัยวะูดลูรูปคลิ่ดดิฉันวาดรูปผู้ชาย น, อนอ้องโวเรมานิดาบุรุบม์วรารินด์คุนดีริกกีเรเริ่มจากสีสก่อน มุดลิลตาไลผู้ชายสวมหมวกมนิดนึงถุปีโป้ต์คนเดียร์กิรอนมองไม่เห็นเส้นผมอวนอดุตาไลมยิร์เตรียวิล์เลยมองไม่เห็นหูด้วยอวนดอดกคอตุมเตรียวิล์ลยมองไม่เห็นหลังด้วย อว ன นு ப ிิน ப ுดมุมเตรีย ய วிล் ல ைดิฉันกำลังวาดตาและปากน้องขนมวายุมวันเด็กคนเดี க กีเร்ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะอันดามั ன นิดนั้นนั่งน้ำมอดิกคนดุมสิร்ทค ம ด இ มு க ริிิร ன นผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว இ ินด้า ม, มาริ க ் க ก ம ม க ก க ு ந นิ ம ாล இ ர าห் க ி ற த ுเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาอาวันை ய ย ல ลโ ர ுร ம ்ัม வ ைไวทுก் க น ண ด ட ย ர ு க ் க ி ற ா ன ்เขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยอวันคาร์ทิลโว่ร์คัลท์ต์คูตัยคัตติก้ก่อนได้ยิ่ง்ึ้นอันมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น อิดูคู ர ்รா ல ம ்กอลัมยันเอาไว้คู่เรื่าอรดิดแขนแข็งแรงใครขันกัตตาเขาอีเรื่ิดเนขาก็แข็งแรงด้วยกอ ล, ลัมเขาอีเรื่องคิดรดเนผู้ชายคนนี้ทำมาจากฮีมะอิดูอุเรย์ปนิยอลเสียพัดตาไม่ดัน แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคุมอวันคอลสัตตโยโคโตโ อ, อนิกาบิลเล่แต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นอานาลุมอวนันกึ๊กุลิระวิลเล่เขาคือตุกตาหิมะอวันโอร์อุเรย์ปนิมนิดันสโนว์แมน